เรื่องอุบาสิกาชื่อสัทธาเก้าเรื่อง79สมัยนั้นในกรุงสาวัตถีมีอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อสัทธามีความเลื่อมใสแบบงมงายมีความเห็นอย่างนี้ว่าหญิงผู้ถวายเมทุนธรรมชื่อว่าได้ถวายทานอันเลิศเมื่อนางพบภิกษุรูปหนึ่งจึงกล่าวว่านิมนต์มาเสพเมทุนธรรมกันเถิดเจ้าคะ่ะอย่าเลยน้องหญิงเรื่องนี้ไม่สมควร นิมนเถิดเจ้าค่ะนิมน์เสียดสีที่ระหว่างขาอ่อนทำอย่างนี้ท่านไม่ต้องอาบัตท่านได้ทำอย่างนั้นแล้วเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัตปาราชิกหรือ n อจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัตปาราชิกแต่ต้องอาบัตสังคาทิเศตวงเล็บ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 พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัติปาราชิกแต่ต้องอบัติสังฆาทิเศษวงเล็บเรื่องที่64สสมัยหนึ่งในกรุงราชคฤห์มีอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อศรัทธามีความเลื่อมใสแบบงมงายมีความเห็นอย่างนี้ว่า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 ทรงมัญยัดสิขาบทไว้แล้วเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัติปาราชิกแต่ต้องอบัติสังคาที่เศษวงเล็บเรื่องที่65สมัยหนึ่งในกรุงราชครื้มีอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อสัตพามีความเลื่อมใสแบบงมงายมีความเห็นอย่างนี้ว่าหญิงผู้ถวายเมทุนธรรม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 จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตดปาราชิกแต่ต้องอบัติสังฆาทิเศษวงเล็บเรื่องที่6กสสมัยหนึ่งในกรุงราชครืมีอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อศรัทธามีความเลื่อมใสแบบงมงายมีความเห็นอย่างนี้ว่าหญิงผู้ถวายเมถุนธรรมชื่อว่าได้ถวายทานอันเลิศเมื่อนางพบภิกษุรูปหนึ่งจึงกล่าวว่า